พุทธธรรมฉบับปรับขยายชีวิตเป็นอย่างไรบทที่หกรรมในฐานะหลักธรรมที่เนื่องอยู่ในปฏิจจสมุปบาทความนำหลักธรรมต่างๆไม่ว่าจะมีชื่อใดๆล้วนสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งสิน้นเพราะแสดงถึงหรือสืบเนื่องมาจากสัจธรรมเดียวกัน และเป็นไปเพื่อจุดหมายเดียวกันแต่นำมาแสดงในชื่อต่างๆกันโดยชี้ความจริงเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งคนละส่วนละตอนกันบ้างเป็นความจริงอันเดียวกันแต่แสดงคนละรูปละแนวเพื่อวัตถุประสงค์คนละอย่างบ้างด้วยเหตุนี้หลักธรรมบางข้อจึงเป็นเพียงส่วนย่อยของหลักใหญ่บางข้อเป็นหลักใหญ่ด้วยกันครอบคลุมความหมายของกันและกัน แต่มีแนวหรือรูปแบบการแสดงและความมุ่งหมายเฉพาะในการแสดงต่างกันปฏิจจสมุปบาทเป็นหลักธรรมใหญ่ที่แสดงความเป็นไปของชีวิตไว้ทั้งหมดมีขอบเขตกว้างขวางรอบคลุมหลักธรรมปลีกย่อยในระดับต่างย่างยังทั่วถึงเรียกได้ว่าเป็นกระบวนการแห่งชีวิตหรือกระบวนธรรมะเบ็ดเสร็จ ถ้าเข้าใจหลักปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ชื่อว่าเข้าใจชีวิตหรือเข้าใจพระพุทธศาสนาทั้งหมดดังพุทธพจน์ ท, ที่ว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมอย่างไรก็ตามเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นหลักธรรมที่ลึกซึ้งเข้าใจยากอย่างยิ่งแม้การอธิบายก็ทาได้ยากดังนั้น หนังสือหรือคำภีร์ที่อธิบายหลักปฏิจสมุปบาทอย่างเฉพาะโดยตรงจึงมีน้อยอย่างยิ่งจนหาแทบไม่ได้เลยแต่กระนั้นก็ตามก็ได้มีหนังสือและคำพี์จํานวนมากอธิบายหลักธรรมบางหมวดบางเรื่องที่เป็นส่วนย่อยของหลักปฏิจสมุปบาทนั้นหลักธรรมส่วนย่อยของปฏิจสมุปบาทที่นิยมอธิบายกันมากที่สุดคงจะได้แก่หลักกรรม การนำหลักกรรมมาอธิบายอาจมองได้ทั้งในแง่ที่ว่ากรรมเป็นเรื่องน่าสนใจในตัวของมันเองและในแง่ที่ว่าความเข้าใจเกี่ยวกับกรรมนั้นเป็นบันไดสำคัญที่จะก้าวเข้าสู่ความเข้าใจหลักปฏิจจสมุปบาทว่าที่จริงการอาธิบายหลักกรรมตามเนื้อหายอย่างตลอดสายก็คือวิธีการที่ง่ายขึ้นอย่างหนึ่ง ในการอธิบายหลักปฏิจจสมุปบาทนั่นเองกรรมเป็นเพียงส่วนหนึ่งในกระบวนการแห่งปฏิจจสมุปบาทซึ่งเห็นได้ชัดเมื่อแยกส่วนในกระบวนการนั้นออกเป็นสามวัตตะวัตวตะแปลว่า ว, วนหรือวังวนเมื่อแยกส่วนในกระบวนการนั้นออกเป็นสามวัตตะคือกิเลสกรรมและวิบาก หลักปฏิจจสมุปบาทแสดงถึงกระบวนการทำกรรมและการให้ผลของกรรมทั้งหมดตั้งต้นแต่กิเลสที่เป็นเหตุให้ทำกรรมจนถึงวิบากอันเป็นผลที่จะได้รับเมื่อเข้าใจปฏิจจสมุปบาทดีแล้วก็เป็นอันเข้าใจหลักกรรมชัดเจนไปด้วยดังนั้นว่าโดยตัวกฎหรือสภาวะจึงไม่มีความจาเป็นอะไร ที่จะต้องชี้แจงเรื่องกรรมไว้ต่างหากหนาที่นี้อีกอย่างไรก็ดีการอธิบายตามแนวปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นการพิจารณาในแง่ของกระบวนการธรรมชาติว่าด้วยกฎหรือสภาวะล้ว น, ลวนและเป็นการมองอย่างกว้า ง, างตลอดทั้งกระบวนการไม่เน้นที่จุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะแต่ในทางปฏิบัติเมื่อมองในแง่ความเป็นไปในชีวิตจริง จะเห็นว่าส่วนของปฏิจจสมุปบาทที่ปรากฏเด่นชัดออกมาในการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นเรื่องของการแสดงออกและเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของคนโดยตรงก็คือส่วนที่เรียกว่ากรรมถ้าเพ่งในทางปฏิบัติอย่างนี้ก็อาจยกเอากรรมขึ้นเป็นจุดเน้นและเป็นบทตั้งแล้วเอาส่วนอื่นๆของปฏิจจสมุปบาทเป็นตัวประกอบสาหรับสืบสาวราวเรื่องต่อไป ถ้าทำอย่างนี้ปฏิจจสมุปบาทก็จะปรากฏในรูปร่างที่นิยมเรียกกันว่ากฎแห่งกรรมและจะมีเรื่องราวในแงอน่อื่นๆที่น่าสนใจเข้ามาเกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นอีกนับว่าเป็นแนวการอธิบายที่น่าศึกษาดังปรากฏว่าในสมัยหลังๆนี้ก็นิยมพูดถึงกฎแห่งกรรมกันมากกว่าพูดถึงปฏิจจสมุปบาทเพราะการพูดถึงกรรมเป็นการพูดถึงกิริยาอาการ ซึ่งเป็นสิ่งที่หยาบปรากฏชัดเห็นง่ายเกี่ยวข้องอยู่เฉพาะหน้าทุกขณะทุกเวลาเหมาะที่จะถือเอาเป็นจุดเริ่มต้นของการพิจารณายิ่งกว่านั้นการอธิบายเรื่องกรรมอาจทำได้หลายระดับคือจะอธิบายอย่างง่ายๆในระดับผิวเผินพอให้เห็นเหตุเห็นผลในสายตาของชาวบ้านก็ได้จะยกเอาเหตุการณ์หรือบทบาทของคนทั้งหลายขึ้นมาเป็นตัวอย่าง ก็ทำได้สะดวกหรือจะอธิบายลึกลงไปถึงกระบวนธรรมะภายในจิตจนต้องใช้หลักปฏิจจสมุปบาทเต็มรูปก็ได้ในเรื่องกฎแห่งกรรมตัวอย่างพุทธพจน์แห่งหนึ่งที่เชื่อมปฏิจจสมุปบาทกับกฎแห่งกรรมสนิทกันเป็นอย่างดีคือที่ตรัสว่าบัณฑิตผู้เห็นปฏิจจสมุปบาทฉลาดในกรรมและวิบาศ ย่อมมองกรรมตามเป็นจริงดังนี้ด้วยเหตุผลดังกล่าวมานี้จึงจะได้เสนอคำอธิบายหลักกรรมหรือกฎแห่งกรรมไว้ณที่นี้ด้วยพอเป็นแนวสำหรับทำความเข้าใจ